พระกุดีของพระกสปะสัมมาสัมพุทธบพิทธิฝนจิงรั่วรดได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังพระนาคเสษนวิสัชนาชนี้ก็มีนามพระไทยสิ้นสงสัยสาธุการแก่พระนาคเสษนดุจนายะที่วิสัชนามาแล้วแต่หลังนั้นคติการะปัญหาเป็นคำรบหกจบเพียงนี้